การนี้เป็นการเข้าพรรษาเป็นเวลาที่พระเราจะได้บำเพ็ญความภาคเพียรชำระกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยอยู่ภายในจิตใจไม่มีอะไรเลยที่โลกเดือดร้อนบุญวาอยู่ทุกวั น, นมีกิเลสตัวเดียวนี่เท่านั้นตัวสำคัญพอกิเลสนี้พังลงไปจากใจหมดโดยสิ้นเชิงแล้วความทุกข์ในใจของท่านผู้สิ่งกิเลสไม่มีเลยเที่ยงไปเลยเรียกว่านี่พานเที่ยง คืความสิ้นกิเลสจากใจนั้นแหละเป็นธรรมมาติวะอมตะธรรมขึ้นมาเที่ยงที่ตรงนั้นที่โลกจะรอดบุญวายนี่ก็เพราะกิเลสเท่านั้นโลกไม่รู้จะทำไงจะประจำดิจิยานใครก็ไม่ได้ <c oughs> ทำเป็นคู่เคียงกันเป็นเครื่องแก้กิเลส ด, ดับกิเลสหรือเป็นเครื่องชาล่างกิเลสมีมาประจำกันดั้งเดิม แต่ว่าโลกไม่รู้จึงไม่สามารถที่จะนำมาชาระล้างแก้ไขกันจึงต้องยอมทนทุกข์ทรมานกิเลสพาเพลินก็เพลินไปกิเลสพาโศกก็โศกไปกิเลสพารักก็รักไปกิเลสพาชังก็ชังไปกิเลสพา โกรธพาเครียดก็โกรธไปเครียดไปเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็เรียกว่าเครียดพาทุกข์ไปในขณะเดียวกันนั้นนหะก็ทุกข์ประจําตามกันเนโลกติ่รับความทุกข์ก็เพราะมันเจือปนกันไปที่เรียนเป็นผู้หวานน้อไมไว้จะพาดีพาดิ้นตลอดเวลาในโลกไม่รู้ว่ากิริยาแห่งการเป็นของใจที่ดิดดิ้นออกมาทางกิริยามารยาทอย่างนี้ทั้ง ส่วนมากมีแต่ชั่วนะโลกไม่รู้กันโลกอยู่ในบืนไปตามกิเลสแล้วก็เป็นอันว่ายอมรับทุกข์ไปในตัวไม่เห็นว่าสิ่งอล่านี้เกิดขึ้นเพราะกิเลสเป็นตัวสร้างขึ้นมาอันนี้ไม่มีอันไม่รู้ในเวลามีธรรมะเข้ามาสติธรรมปัญญาธรรมแทรกเข้ามาดูหัวใจตัวเองนั่นแหละเพราะกิเลสเกิดที่หัวใจ ธรรมะก็เกิดที่หัวใจเมื่อเราบำเพ็ญให้เกิดขึ้นมาสติธรรมเพื่อ <c oughs> รู้ตัวก็จะเกิดขึ้นปัญญาธรรมก็เกิดขึ้นวิริยะเพียนตั้งสติเพียนตั้งปัญญาอยู่ภายในตัวเองอดทนด้วยการตั้งสติปัญญาสตาความเพียนติดแนบอยู่กับใจซึ่งมีภัยรอบด้านคือพิเลประเภทต่างๆอยู่ที่นั่น เมื่อมีสติประคับประคองจิตใจไว้อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วสิ่งที่จะมาบีบบี้สีไฟคือกิออเลสมันก็ค่อยจางไปจางไปสติธรรมมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ตัวมากขึ้นรู้ตัวมากขึ้ น, านจากนั้นก็คิดผิดถูกทั่วดีขึ้นภายในใจสติก็บ่งบอกชัดเจนว่าคิดขึ้นทางดีจังชั่วแล้วก็จะ ก็ระงับดับกันไปได้ดับกันไปได้ดนี่เรื่องไฟคือความทุกข์ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสก่อขึ้น <c oughs> มันก็เบาบางไปเพราะกิเลสก่อไม่ได้ไฟมันก็ไม่เป็นเปลวความร้อนก็ไม่มี ก, กิเลสก่อไฟก่อขึ้นมาแล้วก็เผาพวกเราเนี่ยแหละพวกเราจึงเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนให้กิเลสเผาทั้งวันทั้งคืน <c oughs> ยืนเดินนั่งนอนไปอยู่ที่ไหนมีแต่เรื่องกองทุกข์ความทรมานแต่ไม่เห็นโทษของมันคือกิเลสล้นวนๆ น, น, นั่นแหละพาให้โลกได้รับความทุกท่านจึงสอนอักจรรย์ธรรมให้มีการยับยั้งช่างตัวมีการรักษาการกําจัดปัดเป่าออกในสิ่งไม่ดีอยากทําก็ไม่ทํานี่เรียกว่าฝา่าฝืนกันแก้กันอยากไปไม่ไปอยากทําไม่ทําอะไดที่เป็นเรื่อง ความเสียหายแกย่ตนแล้วยากก็ไม่ทำนั่นบางคับกันด้วยทำอยากแล้วก็ทำลงไปอยากแล้วก็ทำไปผลก็เป็นขึ้นมาในทางความทุกข์ความลาบากเรื่อยๆไปอย่างไรเพราะเราไม่หักห้ามการทําของเราเมื่ อ, อยากอะไรก็ทาตามความอยากมันก็เตลิดเปิดเปินความทุกข์ก็ติดแนบไปตลอดอยู่ที่ไหนมีแต่ความทุกข์ <c oughs> ให้พากันตั้งอดตั้งใจปฏิบัติตัว เรื่องมรรคผลนิพพานอย่าไปถามถึงเลยให้ดูตามสวาขาลธรรมที่ท่านตรัสไว้ชอบแล้วนั่นแหละคือทางเก้าเดินเพื่อมรรคผลนิพพานไม่มีทางอื่นเป็นที่ไป <c oughs> ทำก็ดีวินัยก็ดีนั่นแหละคือทางเก้าเดินเพื่อมรรคผลนิพพานคือเพื่อความปลอดภยัยเป็นลําดับลําดาจิต <c oughs> ไม่เคยสงบถ้าตั้งสติ ทั้งรวมระวังลงไปมันก็สงบจิตใจจะไม่สงบด้วยกันเพราะกิเลสที่ทำจิตให้ไม่สงบนั่นมันอยู่กับมันอยู่กับใจมันผลักดันออกมาตลอดเวลา <c oughs> แล้วก็แสดงเรื่องรลวขึ้นมาสุดท้ายก็เป็นผลก็คือทุกข์นั่นแหละจึงต้องได้ระมัดระวังรักษาสติให้ดี เรื่องของกิเลสนี้ซึมซาบตลอดเวลาให้พากันระมัดระวังมองไม่เห็นมาง่ายๆนะจึงต้องมองด้วยความเพียรมีสติเป็นสำคัญเดินจงกรมก็ให้มีสติดูหัวใจตัวเองนั่งก็ดีเดินก็ดีไปไหนอย่าลืมสติสติต้องติดแนบอยู่กับใจใจจะคอยทำงานจากความผลักดันของกิเลสอยู่สเสมอ อันนี้แหละสาคัญเมื่อสติตั้งอยู่แล้วความคิดความปรุงทางด้านของกิเลสก็ไม่ค่อยมีเพราะเราบังคับอยู่ตลอดเมื่อบังคับหนักเข้าหนักเข้าเรื่องเยอะๆนั่นก็เข้าเบาค่อยเบาลงเบาลงตังธรรก็เกิดขึ้นแต่ความสงบเย็นใจก็ปรากฏขึ้นที่ใจของเรานั่นแหละดืวยความเพียร มีสติเป็นสำคัญมากนะก <c oughs> ารประกอบความเพียรอย่าถือการเดินว่าเป็นความเพียรโดยไม่มีส ต, ติจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนต้องมีสติเปนเครื่องกากับอยู่ตลอดเวลาท่านเรียกว่าความเพียรได้ทุกอียบท <c oughs> ้าขาดสติไปเสียเมื่อไรความเพียรก็ขาดเมื่อนั้นเนี่ยพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีจะไม่มีอะไรเป็นความสุข มีหัวใจเท่านี้ที่จะรับการบำรุงรักษาด้วยความภาคเพียรแล้วจะสงบเย็นขึ้นภายในใจตัวเองโดยลําดับลาดา บ, บำรุงรักษามากเท่าไรใครมีสติสตังมากเท่าไรจิตใจย่อมปลอดภัยมากเป็นเป็นลําดับจากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาใคร้ควรเป็นนีพิจารณาอันนี้จังทุกขังอัตตาแม้ก็เต็มอยู่ในกายในจิตของเรานี่แหละ เป็นแต่เพียงเราไม่พิจารณามันมันก็เหมือนไม่มีมันดีดดิ้นไปตามกิเลสแล้ว อ, อันนี้จังทุกข์ขันธ์ตาเต็มหัวใจเต็มร่างกายเราอยู่มันก็ไม่เห็นเพราะจิตไม่ได้ดูสติไม่มีมันก็ไม่รู้ถ้ามีสติมันจะรู้ขึ้นมาทันทีเรื่องอันนี้จังมันแปลหรือไม่แปลมันก็รู้จิตที่มันคิดปรุงปับป๊บปับป๊บปปัของเรื่อง ไปตามกิเลสนั่นก็คือกฏอนิจจังมันก็ไปตามนั่นแหละแต่เราก็ไม่รู้เสียวิ่งตามเรามันมันก็เสียนะฮความเพียรในถือสติเป็นสําคัญสติเป็นสําคัญมากทเดียวใครอยู่ที่ไหนก็ดีเช่นผู้ภาวานาบริกรรมภาวานาก็อย่าปล่อยคาบุรีกรรมเอาคําบุรีกรรมมัดจิตไว้เพราะจิตนี้กิเลสพาดิ้นพาดิ้นเมื่อเอาทำเขาไปมัดิตเอาไว้ แน้วความคิดความปรุงอันนี้เป็นธรรมความคิดความปรุงของกิเลสนั้นเป็นสมุทยัยเมื่อความคิดเป็นธรรมเช่นคําบริกรรมจะเป็นคาไรก็ตามปรากฏขึ้นในใจนั่นแหละเรียกว่าความปรุงที่เป็นธรรมระงับความปรุงที่เป็นกิเลสเสียได้โดยลําดับลําดา <c oughs> ต่อไปก็ค่อยตั้งตัวได้จิตที่เคยดีดเคยดิ้นก็ค่อยสงบตัวลงได้ลงได้ แล้วก็มีทางที่จะก้าวเดินต่อไปเพื่อความสงบยิ่งขึ้นกว่านี้จากนั้นเป็นความแน่นหนามั่นคงของใจออกจากนั้นกับิีติจนาทางด้านปัญญาตามการเวลาเหยียนเวลากันเวลาจะทำใจให้สงบให้ทาเพื่อความสงบอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเรื่องปัญญาข้าหน้าข้าหลังจะไม่รับประโยชน์อะไรเลย เวลาจะกําหนดจิตให้สู่ให้เข้าสู่ความสงบด้วยบทบริกรรมคําใดก็ตามให้อยู่นั้นเราไม่ต้องไปคาดเรื่องมรรคเรื่องผลสวรรค์นิพพานไม่ต้องไปคาดการสร้างเหตุด้วยความบริกรรมนั้นแหละจะเป็นเครื่องเปิดมรรคผลนิพพานตั้งแต่ความสงบขึ้นไปเป็นลําดับลาดาขึ้นที่ความเปลียนที่มีคําบริกรรมโดยมีสติควบคุมอยู่นั่นแหละ จะไม่เป็นที่อื่นที่ใดจะเป็นครื่งที่จิตจิตจะสงบอนี้เวลาพิจารณาแยกธาตุแยกขันด้วยปัญญาก็เอาร่างกายของเหล่านี้แหละเทสาโรมานาขาธันตาตะโจเรียนมาทุกคนอุปชามอบให้แล้วทุกคนทุกคนเอานี้มาขี่ขายขยายเข้าไปถึงภายในภายนอกตลอดตัวถึงมันมีอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้พิจารณาอย่างนี้แล้วจิตก็ค่อยสว่างกระยานแจ้งออกมา การแจ้งออกมาก็เห็นโทษแห็นกรรมแห่งความยึดมัน่นถือมั่นของตนก็ยิ่งพิจารณามากเท่าไรความรู้แจ้งก็ยิ่งกระจ่างออกอุปทานความยึดมัน่นถือมัน่นก็ถอยตัวออกมาใจก็เบานัง่งนีเรียกว่าปัญญาปัญญานี่ว้างกวางมากแต่จะมาอธิบายให้มากมาย <c oughs> ให้ถือขั้นนี้ก่อน <c oughs> ให้จะพิจารณาอาการใดหรือจะพิจารณาไปหมดทั้งร่างกายก็ได้ พิจราแต่อาการใดอาการหนึ่งที่เห็นว่าถนัดกับก จ, จิตใจเพียงเท่านั้นก็ได้มนจะกระจายทั่วถึงกันหมดนั่นแหละเพราะเป็นทำเป็นทำเกี่ยวโยงกันอยู่ในร่างกายของเราผมคนเห็ฟันหนัง น, นี้เขาไปถึงเนื้อเองเ ก, ก็ดูดตับไตใช้ผงเดียวกันหละพิจนาเนี่ยมันเห็นชัดเจนนีเน่เราจะได้ทรงมาร์กสงผลความรุ่งเหวียงวุ่นวายภายในใจ ที่เคยเป็นมานั้นจะสงบตัวลงสงบตัวลงความสุขจะเกิดขึ้นที่ใจเมื <c> ่ <oughs> ความสุขเกิดขึ้นที่ใจแล้วัใจจะมีความเบิกบานยิ่งแย้มแจ่มใสยิ่งก้าวเดินทางวิปัสสนาคือปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปจิตใจกเใเ็เห็นโทษเห็นภัยเป็นลําดับลําดาเห็นโทาก็เห็นโทษกิเลสนั่นแหละแต่ก่อนมันมีจะเสร็คุมเอายิ่ เอาเอาเหยื่อล่อปลายเบ็ด น, นั่นแนหะเหยื่อล่อปลาให้ปลาก็คือพวกโง่เรานี่แหละไปติดเบ็ดมันมันไม่รู้ที่เบ็ดอยู่ข้างในทุกอยู่ข้างในกิเลสลากไปหลอกไปให้เพลินกับไม่เป็นเหมือนเหยื่อล่อปลานั่นแหละนั่ น, นะนเพลินไปเพลินไปก็ไปโดนเอาเอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเข้ามันก็แสบก็ร้อนภายในใจนี่เรียกว่าติดเบ็ดกิเลสแล้วนัน คิดเ บ, บ็ดแล้วคิดเบ็ด แ, บบแล้วเพราะงาั้นจึงอย่าคิดอย่ายุ่งให้เอาความคิดที่เป็นธรรมเรียกว่ามากักคิดเป็นธรรมเรียกว่ามากักความคิดเป็นมากเช่นคาบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นต้นมีเรียกว่าความคิดเป็นมากเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์เริ่มต้นแต่เพื่อความสงบเย็นใจก็ก้าวขึ้นสู่ความพ้นทุกข์ได้ไม่สงสัยมีเรียกว่า ทำบริกรรมที่ถูกต้องเอามาก่อมจิตใจบางคับไว้มันจะคิดไปไหนบางคับไว้อเรียกว่าต่อสู้กันคิดมาตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งบ น, นี้ไม่เห็นอีกพอแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างให้ถามตัวเองดิมันเมื่อมันได้ประโยชน์แล้วให้คิดมาทางด้านธรรมะมันไม่อยากคิดก็บังคับย่ีเดต้องเป็นข้าศึอกับครเสมอ ไม่อยากคิดนะถ้าคิดอาจคิดทีท่ิเรีย่ยนฝืนทันทีทันทีรากดึงจิตใจขงเราออกไปทิศทางนอกแล้วก็เอาฝืนเอาไฟมาเผาเราเพราะนั <c oughs> <c oughs> ้นจึงต้องหักห้ามมันอยากจะคิดเท่าไหรก่ก็ก็ตอบมันจะจงกองกลงเลยคิดมาตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งบ่านี้ได้ประโยชน์อะไรถ้าถ้าได้ก็มันก็ควรได้ไหมแล้ว ทุกวันทุกวันตื่นนอนมาแล้วคิดจนหลับตื่นนอนมาแล้วคิดจนหลับทุกวันไม่เห็นได้อะไรเหนนี้ปั้นออกเอาความคิดเป็นอัดเป็นธรรมนี่เข้าแทนที่เหมือนกับได้ขึ้นมาแล้วพี่จริความสงบเย็นใจก็ได้ขึ้นมาความสว่างสวบุพุ่งภายในใจก็ได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาภายในจิตใจแล้วก็สว่างสง่างามพุ่งภายในใจผมเป็นห่วงจริงๆเป็นห่วง พระเจ้าประสงค์เฉพาะอย่างยางิ่งฝ่ายกรรมฐานวิปัสสนาเราอยากให้เห็นอัดเห็นทำตามทางของศาสตรดาที่สอนไว้แล้วโดยถูกต้องเราทํายังไงมันถึงไม่ถูกทํายังไงมันถึงไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านดําเนินยังไงพระพุทธเจ้าก็จเจริญอริปานาสติเนี่ยก็เป็นกรรมฐานพระสาวกทั้งหลายก็ตามแต่ชนิดนิสัยของท่านเมื่อจะรับ เพราะว่าจากพระพุทธเจ้าแล้วไปปฏิบัติจนสําเร็จเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาพวกเราจะเป็นยังไงไม่เห็นมีอะไรสําเร็จสําเร็จตั้งแต่เรื่องความโลภความโกรธความหลงราคาตัาหาชาวบ้านเขาก็มีชาวาวัดเราก็จะไปแข่งเขาหาอะไรเอวแข่งเขาด้วยอัดด้วยชำให้มันสว่างสวัยขึ้นจิตใจมรรคผลจะถูบเนื่องมาจากความสงบนี่แหละ ถ้าจิตไม่สงบไม่รู้ไม่เห็นถ้าจิตสงบแล้วก็มีช่องมีทางพิจารณาไปทางด้านใดก็ค่อยเบิกค่อยกว้างออกไปยิ่งพิจารณาทางด้านด้านสัญญาแล้วก็ยิ่งกว้างของยิ่งเห็นโทษเห็นไัยหนักเข้าไปโดยลำดับจำดานั่นทนี่ความเพียรเพื่ออาถรรพ์เพื่อความสงบเย็นใจได้เก้าึ้นแล้วเก้าึ้นแล้วเรื่องชีวิความมุ่นวาย รบพวนใจตลอดเวลานั้นมันจะค่อยจางมันไปจางไปนานเรียกว่านิเลสมันเกิดพิจัยดวงเดียวกันนั่นแหละท่านให้ชื่อว่ากิเลสอย่างหนึ่งธรรมอย่างหนึ่ง <c oughs> ทุกสมุทัยเป็นฝ่ายของกิเลสนิรโทมากเป็นฝ่ายของธรรมมักค้าก็คือทางเดินเช่นอย่างบริกรรมนี่ก็เป็นมากนี่ทางเดินเพื่อสงบเพื่อระงับดับ สมุทัย ค, ค, ค, คือความคิดความปรุงให้เกิดทุกข์เสียได้ด้วยลำดับลำดาป้ากันตั้งอกตั้งใจวันนี้เราพูดีย่างนั้นพากัน้าลูกฟาหลานตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติให้ได้สมักรสมผลนะเขาวิจเจ้าสอนเพื่อมักเพื่อผล ด, ด, ด, ด, ด้วนๆเราบวชมาก็เพื่อมักเพื่อผล ปฏิบัติตนให้ได้เหตุไปิผลได้อาดได้ทำภายในจิตใจทำมานั่นเป็นอาการลิโกไม่มีการสถานที่เวลาเวลาใครทําที่ไหนก็เกิดผลขึ้นมาในทางที่ถูกที่ดีกิเลสก็ไม่มีการสถานที่เวลาเวลาเหมือนกันชิ้นมาไหนก็เป็นกิเลสบันั่งคํามพอร่างถึงปัดมันออกเพราะคิดเรื่องของกิเลสคิดมามากไฟเผาเรามามากแล้วทุกเผาเรามามาก ทีนี้ให้พยายามคิดเป็นอาจเป็นธรำเขาสู่ใจของเขาเองความสงบเย็นใจไม่หาที่ไหนขอให้ก้าวเดินตามธรรมของพระพุทธเจ้านี้เถิดอย่างไรเราต้องรู้ต้องเห็นไม่มากกว่าน้อยในขั้นเริ่มต้นเอาจริงเอาจรจัดละเละแหละนะทําอะไรไม่ละละละละทำท่านสอนอย่างนั้นให้จริงจังทุกอย่างความท่าความเพียรตั้งหน้าตั้งตาทมสติสตังตั้งหน้าตั้งตารักษาให้ดี ความเพียรของเราเนี้วความสงบเย็นใจจะค่อยปาบปลุกขึ้นมาอยู่ที่ไหนเย็นหมดแล้วถ้าหลงใจได้สบายอยู่ไหนสบายหมดถ้าใจร้อนเอาขึ้นไปไว้ที่หอปร า, าสาทมันก็ควรทางอยู่บนหอปร า, าสร <c oughs> าทเช่นเดียวกันกับ <c oughs> คนไข้ที่ไข้นักหนักเอาขึ้นไป <c oughs> ตึกพ <c oughs> ยาบาลชั้นไหนมันก็ไปทวนทางอยู่แล้วเพราะทุกมันอยู่กับคนไข้ มันไม่ได้อยู่กับห้องกับหับกับตึก <c oughs> สูงต่ําประการใดมันอยู่กับคนไข้นี่ที่เหล่มันเผาเราก็เท่ากับคนไข้นั่นเนี่ยอยู่ที่ไหนหอประสาราชบเัเฑิตยนมันก็เป็นหอภาษาแต่ใจมันเป็นตืนเป็นไฟก็เป็นโมฆะไม่เกิดประโยชน์อะไรช่า <c oughs> นจึงทําใจของเรามันมีที่อยู่มีที่อาศัยสงบเย็ยนใจแล้วดูไหนสบายกันหมดนั่นเนี่ยมันชุกทุกข์ที่ใจนะ สุขก็สุขที่ใจเมื่อใจมีความสุขอยู่ไหนสบายหมดเมื่อใจมีความทุกข์อยู่ที่ไหนคับแคบติดตันไปหมดอะไรจันทนะรกนก์ตร ง, งนี้นะไปบรรกากาศจ้ะเอออะรไปกันตังใจไปดีจ้ะอย่างนั้นแหละ